ปิบัติทั้งหมดนะของเราชาวพุทธเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็มุ่งให้เห็นความจริงความจริงในโลกและจั ก, กรวาลนี่มีเยอะมากนะแต่ว่าที่สำคัญสำคัญเนี่ยมีไม่มากนะอย่างที่พรุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับใบไม้ในก ร, ร ม, มือนะเมื่อเทียบกับไม้ในป่าไม้ในป่านี่เยอะแยะ มากมายมาหาศาลแต่ไม้ในกำมือใบไม้ในกำมือนี่มันมีนิดเดียวอันนี้หมายถึงความจริงเพื่อการพ้นทุกข์และความจริงที่เป็นหัวใจนะเป็นแกนเนี่ยก็คือสิ่งที่เราไต่ลักนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยึดมาเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ อย่างที่เราสวนมาสักครู่เนี่ยอนัตตลกคณสสูตรเนี่ยนะก็คือแกนหรือหัวใจของสัจธรรมนะที่เราควรจะรู้จักแล้วก็สามารถจะเห็นอย่างจ่มแจ้งอย่างที่บอกสักครู่นะว่าการปฏิบัติทั้งหมดของเราชาวพุทธก็คือการเห็นความจรงิงเห็นพระไตรลักษณ์นะ เมื่อจะเป็นทานศีลภาวนาจุดหมายสูงสุดก็คือเพื่อเห็นสิ่งนี้จสจศีขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เพื่อเห็นความจริงที่ว่านะเช่นกันปัญญาในที่นี้คือการเห็นความจริงนะไม่ได้เห็นทั่วไปนะแต่เห็นถึงแก่นของมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาภาวนานะ ไม่ว่าจะใช้อิริยบทใดวิธีใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นภาวนาแบบพุทธนะถึงที่สุดแล้วก็ต้องเห็นความจริงเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณหรือสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนจึดเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ การยิงความจริงที่ว่าเนี่ยแหละนะที่ทําให้ภิกษุปัญจวัคคีเนี่ยนะหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากวาตาสงสารหลุดพ้นจากอานาจของมารทั้งปวงนะ้วเข้าถึงความสุขที่เป็นบรมสุขก็คือนิพพานให้ความจริงที่ว่าเนี่ยพวกเราก็ควรจะเพียรพยายาม นะเพื่อที่จะเข้าถึงหรือเห็นไม่ใช่คิดเอาเฉยๆนะแต่มันเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาแต่ระหว่างที่ยังยังไม่เห็นแจมแจ้งนะก็ก็เตือนใจเอาไว้นะว่าสิ่งทั้งปวงนะไม่ว่าใกล้หรือไกลเนี่ยยาบหรือละเอียดมันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ร่างกายของเรานะเราพูดว่าของเรานี่ก็พูดโดยสมมุตินะแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราคือบังคับบัญชาไม่ได้บังคับไม่ให้แก่บังคับไม่ให้ป่วยบังคับไม่ให้เจ็บนะก็ทำไม่ได้บังคับไม่ให้หิวก็ทำไม่ได้เ้านีรู้ไปทำไมนะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยรู้ไปทำไม เมื่อรู้ความจริงที่ว่าเนี่ยจิตก็จะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางเพราะรู้ว่ายึดไม่ได้เพราะรู้ว่ามันแปรเปลี่ยนเสมอเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์เหมือนของร้อนนะเหมือนกับ น, น้ำนะที่ถ้าเราจับกำไว้แน่นมันก็เจ็บมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะรู้ความจริงเพื่อจิตปล่อยวางนะเมื่อปล่อยวางนะจิตก็เป็นอิสระ เมื่อถึงเวลาที่สิ่งเหล่านั้นมันผันผวนแปรปรวนร่างกายมันแก่ร่างกายชาราทรัพย์สมบัติทั้งหลายเสื่อมสลายหายไปคนรักเมียนเป็นไปใจก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าปล่อยวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ปล่อยวางเนี่ยนะต้องย้ำว่ามันเป็นเรื่องของการทําจิตนะ มันเป็นการปล่อยวางที่จิตส่วนกิจที่ควรจะทําก็ยังต้องทําต่อไปเช่นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าปล่อยปะละเลยนะปล่อยวางเนี่ยไม่ได้ปล่อยปะละเลยปล่อยวางคือการทําจิตแต่ถ้าปล่อย ประละเลยอันนี้เราไม่ทําทําจิตมันต้องคู่กับการทําจิตนะขณะที่เราปล่อยวางไม่ยึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราแต่เราก็มีหน้าที่ต้องดูแลนะมีหน้าที่ต้องดูแลเช่นเมื่อหิวก็กินอาหารเมื่อปวดท้องอก็ไปท่าย จะเป็นถ่ายหนักถ่ายเบาก็แล้วแต่เมื่อมันป่วยก็ต้องดูแลรักษาจะรักษาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่คนที่ไปคิดว่าในเมื่อร่างกายไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรกับร่างกายนี้ปล่อยปละละเลยไปเลยอันนี้ไม่ถูกนะ แสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจเรื่องการปล่อยวางนะในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะอย่างที่บอกปล่อยวางเนี่ยมันเป็นเรื่องการทำจิตส่วนการทำกิจก็ยังต้องทำนะตามเหตุตามปัจจัยร่างกายไม่ใช่ของเราแต่เราก็สมควรดูแลเพื่อให้สามารถจะใช้ประโยชน์ได้นา น, น, าน เช่นทำความดีทั้งเพื่อประโยชน์ตนนะเพื่อเหมือนกับเป็นเรือที่พาเรานะเข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของชาวพุทธหรือเป็นพานะในการทำความดีประโยชน์กส่วนรวมนะบ้านเรือนก็เหมือนกันนะรถยนต์ก็เช่นกันมันไม่ใช่ของเรายึดเป็นเราเป็นของเราไม่ได้นะ แต่ว่าเราก็สมควรดูแลถ้ารังคารั่วหรือว่าท่อน้ำแตกอ่ะเราก็ควรซ่อมซ่อมเองไม่ได้ก็ไปเรียกช่างมาซ่อมนะอันนี้เรียกว่าทากิต ด, ด้วยคู่การทำจิตอันนี้เป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนมากมีฝรั่งเนี่ยพอเขาศึกษาเรื่องนี้เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะ ในเมื่อทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเรานะนะแล้วเราจะมีอะไรเป็นแรงจูงใจนะที่จะทําสิ่งต่างๆมันมีเหตุผลไม่มีแรงจูงใจมากมายนะที่เราควรทําหรือควรทําหน้าที่แม้จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยอย่างเช่นร่างกายเนี่ยนะอะเราก็รู้ไม่ใช่ของเรานะแต่ เราก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะก็ดูแลให้ดีนะรถยนต์โทรศัพท์บ้านนะไม่ใช่ของเราแต่ว่ายังสามารถจะเป็นพาหะเครื่องมือในการทําประโยชน์ได้เราก็ทำลูกไม่ใช่ของเรานะแต่เราก็มีเหตุผลหรือมีแรงจูงใจที่จะดูแลเขาเช่นทำด้วยความเมตตากรุณาในจิตเมตตา การที่เข้าใจไปว่าเมื่ออะไรไม่ใช่ของเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยปากละเลยเนี่ยนี้ไม่ถูกมันเหมือนกับว่าเราไปยืมโทรศัพท์เราไปยืมรถของเพื่อนมารถและโทรศัพท์นั้นไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่แปลว่าเราจะใช้แบบทิ้งทิงๆคว่างๆวา ง, วางไม่สนใจเนี่ยจะขับเพ่อไปชนอะไรที่ไหนก็ได้ใช่ไหมก็ไม่ใช่ใครที่ทำอย่างนั้นเนี่ยนะ ย่อมเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจไม่น่าเชื่อถือโทรศัพท์บ้านรถยนต์ที่เรายิบยืมมาเนี่ยนะไม่ใช่ของเราก็จริงแต่เราก็มีความรับผิดชอบนะที่ควรจะดูแลรักษาให้ดีอาชันนั้นก็บชันนั้นเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยในทางวัในทางปรัชญธรรมนี่ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็ควรจะดูแล ป่านี้ไม่ใช่ของเรานะแต่เราก็มีเหตุผลมากมายที่เราควรจะดูแลป่านี้เช่นเพื่อตอบแทนบุญคุณป่านี้เขาดูแลรักษาเราเขาให้ความสงบร่มเย็นก่เราก็ควรจะตอบแทนเขาด้วยการด้วยความกตัญญูหรือด้วยเมตตาก็ได้ด้วยเมตตาเมตตาต่อสรรพสัตว์นะที่อาศัยป่าผืนนี้นะ เราเมตตาต่อแม้กระทั่งต้นไม้นะเราก็ควรดูแลและนี่คือผลที่พระเจ้าเนี่ยรัชกาลทั้งหลายเนี่ยท่านได้ทํากิจต่างๆมากมายทนะ่านไม่ได้เพราะท่านยึดในผู้คนว่าเป็นลูกศิษย์ของเรานะไม่มีความคิดแบบนั้นเลยแต่ทําด้วยเมตตากรุณาเพราะฉะนั้นแม้ว่าอะไรอะไรจะไม่ใช่ของเราแต่ว่า การทำกิจการทำความรับผิดชอบนะก็ยังมีอยู่นะเคยมีเคยมีชาวบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยเข้ามามาตัดสมุนไพรในวัดนะอาตอมาก็เรียกพระในวัดให้ไปช่วยกันนะไล่เขาออกไปจากวัดนะเพราะที่นี้เราห้ามตัดสมุนไพรก็มีพระรูปหนึ่งท่านไม่ไปนะ ท่นก็บอกกับเพื่อนเพื่อนว่าเนี่ยท่านปล่อยวางแล้วเนี่ยอันนี้เอเรียกว่าไม่ถูกต้องนะปล่อยวางของท่านก็หมายความว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ไม่ดูแลอะไรถ้าท่านปล่อยวางจริงเนี่ ย, เ, ยเวลาหิวก็ไม่ควรกินอาหารเวลาปวดท้องก็ไม่ควรเข้าห้องน้ำนํำนะปล่อยวางเนี่ยแต่ตราบใดที่หิวก็ยังต้องกินปวดท้องยังต้องเข้าห้องน้ําก็หมายความว่า ยังมีความรับผิดชอบต่อร่างกายนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ควร ม, มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เข า, าดูแลรักษาเราด้วยเรื่องนี้ก็คล้ายกับที่หลวงพ่อชาท่านเล่าสมัยที่วัดหนองประพง์เนี่ยยังไม่ค่อยมีอาญาติโยมนะจากในเมืองเนี่ยมาอุปถัมภ์กุฏิ เสนาสนะก็ยังทําแบบง่ายๆบางกุฏิก็เป็นเพิงแล้วก็มุงหลังคาหลังคาก็เป็นหลังคาจากนะยาคามีวันหนึ่งนี่ก็มีพายุเข้านะกุฏิหลังนึงเนี่ยก็โดนพายุพัดหลังคาหายไปแถบหนึ่งแต่ว่าพระที่อาศัยอยู่ในกุฏินั้นก็ท่านก็ยังไม่ทําอะไร ไม่ซ่อมก็เอาแต่ภาวนาหลวงพ่อชาก็เลยถามว่าทําไมไม่ซ่อมนะท่านก็บอกว่าผมกําลังฝึกการไม่ติดติศครับนะว่าไงคือกำลังฝึกปล่อยวางหลวงพ่อชาก็เลยตําหนิว่าเนี่ยปล่อยวา ง, ยงไม่ต้องใช้ปัญญานะไม่ใช่วางเฉยแบบเว่แบบควายนะปล่อยวางนะมันไม่ใช่วางเฉยไม่ใช่การปล่อยปละละเลย ปล่อยวางกับความรับผิดชอบนี่มาด้วยกันนะมันทำได้ปล่อยวางอย่างรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคำ ว, ว่าปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นการทำจิตนะของผู้ที่ใฟในพระนิพพานแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในทางโลกการเลี้ยงดูครอบครัวการทำงานเราก็สามารถจะ ทำด้วยจิตที่ปล่อยวางได้เพราะว่าทำจิตกับทำกิจมันมาด้วยกันปล่อยวางอย่างรับผิดชอบเนี่ยทำได้นะแล้วก็ควรทำด้วยทุกวันนี้เนี่ยคนทำงานด้วยความเครียดก็เพราะว่าไม่รู้จักปล่อยวางไม่ต้องปล่อยวางไม่ต้องถึงกับปล่อยวางว่าไม่ใช่งานของเราก็ได้เอาเพียงแค่ปล่อยวาง ผลหรือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นหลายคนทำงานแล้วเครียดเพราะว่าใจเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายหรือผลลัพธ์จะต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ตามเป้านะพอทาไม่ได้ตามเป้าเดี๋ยวจะมีคนตำหนิจะมีคนวิพากวิจารบางทีก็คิดว่าเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยใจเนี่ยมันไปอยู่ข้างหน้าแล้ว เหมือนกับเวลาเรารอไฟแดงสีแยกเนี่ยลงงุง่งิดเพราะอะไรลงุง่งิดเพราะว่าเราคิดข้ามช็อตไปแล้วเมื่อไหร่ไฟแดงมันจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวสักทีถ้าแดงแบบนี้นานๆาน น, า น, นี่เดี๋ยวฉันนะจะต้องพลาดนัดสำคัญหรือว่าตกเครื่องบินหรือว่าไปส่งลูกไม่ทันเนี่ยพอคิดแบบนี้แหละนะจึงงุดหิด เพียงแค่ปล่อยวางนะผลที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบให้ความงุนก็จะหายไปเวลาทำงานแล้วก็ทำด้วยใจที่สบายแล้วก็จะทำได้ดีด้วยจางจื้อนี่เป็นปราชญ์นนะโบราณสักสองพันสามรอปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็พูดถึงช่างแกะสลักไม้ที่ใช้แขวนะระฆังซึ่งสลักได้สวยงามมาก จนกระทั่งคนชมว่าเหมือนกับเป็นผลงานของเทวดาก็เลยไปถามช่างคนนี้ว่าท่านมีเคล็ดลับอย่างไรช่างคนนี้ก็บอกว่าไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเวลาก่อนที่จะไปอ่าทําหรือหาไม้มาแกะสลักเนี่ยแกะจะถือบวชภาวนาผมจะให้เป็นหนึ่ง วันแร ก, ก็บอกว่าเนี่ยลืมผลได้และความสำเร็จบวชไปสามวันภาวนาสามวันลืมคำชมและคำวิจารณ์ภาวนาไปอีกเจ็ดวันเนี่ยลืมพระราชาลืมราชสานักลืมเจ้านายที่สั่งให้ไปไปหาไม้มาทำที่แขวระกครั้งจิตนี่นะรวมเป็นหนึ่งนะอยู่แต่การทากิจ พอครบเจ็ดวันนะก็เดินเข้าป่าและพอต้นไม้ที่เหมาะเนี่ยปรากฏอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอ้ที่แขวงรักคางมันก็จะแสดงตัวโผล่มาเลยนะในเนื้อไม้นะั้นสิ่งที่เขาทำก็คือว่าแกะสลักนะเอาเนื้อไม้แกะสลักให้เป็นที่แขวลรักคางอันนี้เป็นเคล็ดลับนะของช่างนะสลักคนนี้จางเจออย่างพูดถึงว่าเนี่ย พูดถึงในขมังธนูนะช่างยิงธนูด้วยนายนะขมังธนูนะเมื่อนายขมังธนูนะยิงโดยไม่คิดอะไรเลยเนี่ยเขาก็ย่อมใช้ความชำนิชำนาญอย่างเต็มที่แต่ถ้าเขานึกถึงโล่ทองเหลืองเขาก็จะเริ่มประมาทถ้าเขานึกว่าจะยิงเพื่อเอาทองเป็นรางวัลตาเขาก็จะพร่ามัวนะ เป้านี้ก็จะเห็นเป็นสองเป้าแต่ถ้าเขาลืมทุกอย่างนะเห็นแต่เห็นแต่เป้านั้นเนี่ยลืมผลได้ลืมผลลับลืมคำชมลืมรางวัลเขาจะยิงได้ดีมากนะอันนี้จริงก็เป็นหลักในการทำงานนะคนเวลาทำงานเนี่ยเราลองลืมเป้าหมายวางเป้าหมายลงไปก่อนวางคําชมคําสาเร็จ วางคาชมคาวิาพากษ์วิจารณ์จิตเราจะเป็นสมาธิมากนะแล้วก็เรื่องยากยากลายเป็นเรื่องง่ายมันมีนักปีนเขาคนหนึ่งนะนะชูบลูสคิร์กบีเนะี่ยเคยผ่านการปีนเขาที่สูงที่สุดในทุกทกวีปมาแล้วรวมนักเอเวอเรสต์ด้วยเนะี่ย ประสบการณ์การปีนเขานะับสิบยี่สิบปีงเขาเนี่ยมันสอนเขาว่าทุกอย่างเนี่ยมักดูน่ากลัวก ว, กว่าความเป็นจริงเวลามองจากที่ไกล่เช่นเวลาจะปีนยอดเขาเนี่ยนะปีนไปถึงยอดเขาเนี่ยถ้าอยู่ตีนเขาเนี่ยมองไปข้างบนเนี่ยมันจะรู้สึกท้อรู้สึกยากน่ากลัวอีกต้องนานกว่าจะถึงเป็นเดือนๆนแต่ก็พราบว่าเคล็รับการปีนเขาคือว่านะลืมลืมจุดหมาย แล้วก็สนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวนะถ้าเดินถูกทางนะถึงแน่นะ ถ, ถ้าเดินไม่หยุดนะ น, ะ เ, ปนเป็นเพีงแค่เล่าการปีนเขาที่ง่ายมากนะลืมยอดเขานะสนใจแต่พื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็อยู่กับการเดินแต่ละก้าวก็คือการอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละนะการอยู่กับปัจจุบันคือการวางนะ วางผลสำเร็จวางอนาคตวางเป้าหมายลงไปเมื่อสัก้สิปีก่อนเนี่ยตอนที่เริ่มมีการสร้างตึก World Trade นะตึก World Trade Center เนี่ยซึ่งตอนนี้ไปในเบรนดีไปละเพราะโดนเนะครื่องบินสองลำถลม่มนะที่กลุงนิวยอร์กเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์11กันยานี่ตอนที่เริ่มสร้างเสร็จใหม่ๆนะ้มันมี นักไต่ลวดคนหนึ่งนะนะชื่อพิ娅เปิดตีเนี่ยจะมีความไฝ่ฝันตั้งแต่ตอนที่รู้ข่าวว่าจะเริ่มมีการสร้างตึกแฝดสองตึกเนี่ยว่าจะอยากจะขึงลวดระหว่างยอดตึกสองตึกแล้วก็เดินบนเส้นลวดนั้นนะพอสร้างเสร็จใหม่ๆนะยังไม่ทันเปิดใช้เลยแกก็หาทางรอบเข้าไปไปที่ตึกนั้นแล้วก็ตอนเช้าก็ขึง ลวดระหว่างยอดตึกซึ่งมันอยู่ห่างกันประมาณสักร้200อยสองรอยเมตรน่ะนะมันเป็นจุดที่ดีมากเลยเพราะว่ายอดตึกทั้งสองยอดนี่มันเท่ากันทำให้ทลาให้ลวดเนี่ยได้ระ น, นาบเดียวกันแล้วพอสว่างแกก็เริ่มเดินเดินโดยที่มีแค่ไม้นะไม้เล็กไม้ยาวๆนะเอาไว้เลี้ยงตัวเดินไปได้สักพักเนี่ยขนอยู่ข้างล่างเนี่ย ก็เห็นก็ไปเรียกตำรวจมาตำรวจก็รีบมาทันทีเลยแล้วก็มารอยอยู่ที่ปลายปลายลวดเบอร์ตีนี่ก็เดินนะจากปลายจากยอดตึกหนึ่งเข้าไปอีกยอดตึกหนึ่งพอเห็นตำรวจมาจากคว้าตัวแกก็ถอยหลังกลับแล้วก็เดินต่อนะเดินอยู่บนลวดเนี่ยซึ่งอยู่สูงจากพื้นเนี่ยี่ร้อยเมตรนะคือตกมาก็ตาย แกก็เดินกลับไปกับมาประมาณเจ็ดรอบใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีจนหนำใจแล้วแกก็ลงมามอบตัวให้ตำรวจจับหนังสือพิมพ์ก็ไปสัมภาษณ์วาเนี่ยคุณทำได้ยังไงไม่กลัวเหรอนะแกบอกว่าตอนที่แกเดินเนี่ยแกไม่ได้นึกอะไรเลยนะนึกแต่เพียงว่าขยับขาข้างหนึ่งให้มาอยู่ข้างหน้าขาข้างหนึ่งแล้วขยับนี้ไปเรื่อยๆคือไม่ได้สนใจ ปลายลวดเลยแล้วก็ไม่สนใจข้างล่างเด้วยถ้าแกลองนึกนะถึงความตายว่าถ้าตกลงไม้ยันตายแน่นะคงจะประมาะหรือว่าเวลาเดินเนี่ยมองไปถึงปลายลวดีว่จะต้องเดินไปให้ถึงนะตรงนั้นให้ได้นะแกคงจะรนเกรงนะแต่ปิดตีในใจเขาเนี่ยอยู่กับปัจจุบันจริงเลยนะคืออยู่กับก้าแต่ละก้า อันนี้เป็นวิธีการที่คล้ายกับบูสเคิร์บี้นะแต่ที่จริงมันก็เป็นวิธีการที่เอามาใช้กับการทำงานก็ได้เวลาทำงานเนี่ยนะเราสามารถจะทำงานด้วยด้วยความตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แต่ใจเนี่ยปล่อยวางไม่ต้องปล่อยวางอะไรให้ไกลนะแค่ปล่อยวางเป้าหมายปล่อยวางผลปล่อยวางอนาคตอยู่กับปัจจุบัน เราค่อยจะทำงานได้ทำเต็มที่นะแต่ไม่ซีเรียสมันทำได้นะหลายคนเนี่ยเวลาทาเต็มที่ใจก็เครียดไปด้วยถ้าจะไม่เครียกก็คือไม่ทำเลยนะฝรั่งเนี่ยเขาทำเต็มที่เลยนะแต่เขาเครียดตกกังวลส่วนคนไทยเนี่ยนะทำแบบสบายๆนะแต่ว่าไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ จริงทางสายกลางมันมีนะคือทำเต็มที่นะแต่ว่าใจเนี่ยสิไม่สีเรียกเพราะปล่อยวางถ้าทำกิจและทำจิตแบบนี้นะงานก็ออกมาดีคนทำก็ไม่ไม่ทุกนะสามารถจะทำได้ดีสามารถจะทำได้นานมันมีเพื่อตำมาคนหนึ่งเป็นเป็นนักบวชในพุทธศาสนา ลทัทธิเซนนะนิกายเซน์แกเป็นอเมริกันนะอยู่แถวเบอร์ keley นะใกล้ๆซานฟรานซิสโกแกเล่าถึงอาจารย์ของอาจารย์นะที่ชื่อชุนริวสุสุกิเป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อมากนะในหมู่ชาวตะวันตกที่สนใจนิกายเซนชุนริวนะเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาที่ซานฟรานซิสโก เมื่อสักเกือบหกสิบปีแล้วประมาณพันเก้หกสิบนะตอนที่อาจารย์ชุนเดียวมาสร้างวัดนั้นเนี่ยนะอายุก็มาแล้วหกสิบกว่าและการสร้างวัดสมัยนั้นเนี่ยนะเงินทุนร่อนก็ไม่มีมากก็ต้องทำกันเองต้องขนหินขนอีกกันเองนะแต่โชคดีนะอาจารย์ชุนเดียวมีลูกศิษย์เป็นอเมริกันแต่ละคนก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวสิบเก้ายี่สบี่สิบเอ ทั้งหญิงและชายพวกนี้เริ่มหันมาสนใจเรื่องปรัชญาและศาสนาตะวันออกไม่อยากร่ํารวยเหมือนพ่อแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชุนเรีวมาช่วยสร้างมาช่วยขนกุตติขนอิดขนหินลูกศิษย์เนี่ยทําได้ครึ่งวันก็เหนื่อยแล้วส่วนอาจารย์นี่ทําทั้งวันเลยลูกศิษย์ก็แปลกใจอาจารย์ก็ตัวเล็ก อายุก็มากหกสิบแล้วลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์ชุนวิวว่าอาจารย์ทําได้ยังไงทําทั้งวันเลยท่าน ต, ตอบก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ยลูกศิษย์งงเนะี่ยพักตลอดเวลาก็เห็นท่านทําทั้งวันเลยไอ้ที่ทนะํานักคือกายทํำนะแต่ใจนี่พักนะใจท่านวางนะขณะที่กายเนี่ยขนเห็นขนไม้แต่ใจเนี่ยมันวางวาง ผลวางเป้าหมายวางแม้กระทั่งความเหน็ดความเหนื่อยของกายนะกายมันเหนื่อยนะมันเมื่อยแต่ใจนี่วางใจก็แค่เป็นผู้ดูเฉยเยใจก็เห็นกายมันเหนื่อยแต่ว่าใจไม่ทุกข์เพราะใจนี่ไม่ได้ไปยึดเอาความเหนื่อยความหนักของกายนะมาเป็นของกูนะก็เลยทำได้ทั้งวันถึงต่อไปเนี่ยผมพักตลอดเวลาเนี่ย อันนี้เราจัจทร์ชุนเรยียทําด้วยจิตปล่อยวางเนะี่ยขนหินด้วยจิตปล่อยวางก็ทําได้นานและใจก็ไม่ทุกข์ส่วนลูกศิษย์นี่ทําไปก็บนไปในใจเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จหนักห้อยหนักห้ยอันนี้ทําด้วยจิตติดยึดนะให้ควาปล่อยวางเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมันมีตั้งแต่ระดับ ง, ง่ายๆนะคือปล่อยวางผลลัพธ์ปล่อยวางเป้าหมายจิตอยู่กับปัจจุบัน ไปนถึงการปล่อยวางความเหน็ดความเหนื่อยที่มันเกิดขึ้นนะให้เป็นเรื่องของกายนะใจไม่ข้องเกี่ยวใจเป็นผู้ดูเฉยๆไปจนถึงการปล่อยวางนะในในผลในในสิ่งที่ยึดว่าเป็นตัวกูของกูถ้าจากพืธาตุเนี่ยนะที่ส่วนโมกเนี่ย หรืออาคารแต่ละอาคารเนี่ยใช้เวลาหลายปีกว่าจะสร้างเสร็จเมื่อจะไปลงหมอศพทางวิญญาณรวมทั้งอาคารที่เรียกว่าธรรมนาวานะรูปร่างคล้เรือเอาไว้เป็นที่เก็บน้ำน้ำฝนแล้วก็ในอาคารก็เป็นที่ที่ทำวัดศพเมื่อเวลาฝนตกใช้เวลาหลายปีกว่าเสร็จตอนที่สร้างไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยก็มีลูกศิษย์คนนึงมาถามหายไปนานนะหายไปหลายเดือน ก็มาถามท้าวพุทธาว่าเรือสร้างเสร็จหรือยังสัานจารย์บอกว่าเสร็จแล้วแกก็ดีใจแต่อีกด้านนึ่งก็แปลกใจเมือ่อสองสาเดือนก่อนเราเรามาสนมงเนี่ยมันเพิ่งสร้างไปได้แค่ครึ่งเดียวทําไมาเสร็จแล้วอย่างนี้พอไปดูที่เรือก็บอกว่ายังสร้างนะไปได้ไม่ถึงไหนก็เลยกลับมาถามหลวงท้าวพุทธาว่าท่านอาจารย์ ทำไมท่านอาจารย์บอกว่าเรือนี้สร้างเสร็จแล้วผมไปดูมันยังสร้างไปได้แค่ครึ่งเดียว่วยานอาจารย์พุทธาก็ตอบว่าเสร็จนะเสร็จทุกวันนะวันนี้ก็เสร็จนะพรุ่งนี้ก็เสร็จมาเรือนี้ก็เสร็จนะอันนี้ท่านไม่ได้เล่นสำนวนนะนะแต่ท่านพูดจากใจของท่านนะว่าเวลาทำงานเนี่ยนะท่านถือว่ามันเสร็จทุกขณะ ทำงานเต็มที่นะพอถึงเย็นได้เวลาเลิกงานท่านไม่เพียงแต่เลิกท่านไม่เพียงแต่วางนะเครื่องไม้เครื่องมือแต่ท่านยังวางงานนั้นออกจากใจด้วยก็เลยสบายนะรู้สึกเหมือนกับคนที่ทำงานเสร็จเวลาทำงานเสร็จแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายนะโล่งอกนะท่านก็รู้สึกแบบนั้นแหละทุกครั้งที่ที่ทำงานหรือทุกครั้งที่เลิกงาน ท่านะนก็บอกว่าเสร็จนะเสร็จทุกวันอันนี้ก็เรียกว่าทํางานด้วยจิตปล่อยวางนะปล่อยวางในผลไม่กังวลไม่วิตกว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จถ้านะเราลองนะทำงานด้วยความรู้สึกนะหรือด้วยการทําจิตแบบนี้ดูนะมันทําได้นะคู่กันประสานกันไปความขยันขันแข็งกับการปล่อยวางเนะี่ นะเพียงทากิจเนะด้วยจิตปล่อยวางมันก็จะทำให้เกิดการทำงานที่เรียกว่าทาเต็มที่นะแต่ไม่ซีเรียสัการปล่อยวางเนี่ยมันเป็นธรรมะนี่ที่เรียกว่าใช้ได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานระดับโลกๆไปจนถึงระดับปรมาติตเนะี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะจะทำได้ก็ต่อเมื่อจะมุ่งบรรลุธรรมขั้นสูงหรือว่า ต้องหเห็นปรมามธธรรมซะก่อนนะถึงจะปล่อยวางได้ในระดับพื้นฐานในระดับโลกโลกนะเราก็ทำได้เหมือนกันถ้าว่าเรามีสติรู้ทันนะการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีสติไม่รู้สึกตัวนั่นแหละมันจึงยึดติดตะพัฒพื้นยึดติดมั่วไปหมดเลยเราก็เลยทำงานด้วยความเครียดเอาละชานี่ก็เป็นท่านนี้ครัง